เรื่องจิตตะเขาเ้าฤหบดีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบจิตตะเขาเ้าฤหบดีความพิสดารว่าพระอนุนทูลถามพระสัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สักรานี้เกิดขึ้นแก่เขาเ้าฤหบดีนั้นแม้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน พระสาสดาตรัสว่าอานน์เมื่อจิตตะเคือหะบดีนั้นแม้มาสู่สำนักของเราก็ดีไปในที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาศกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยศีลไปสู่ทินใดลาบสักการะย่อมเกิดในทิณนั้นๆทีเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่า ผู้มีจิตศรัทธามีเีษสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปถิ่นใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในถิ่นนั้นๆทีเดียวในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละ